เทศอบรมพระวันที่9ก้าสิงหาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีเผ็ดร้อนไปตลอดกันและถึงขั้นละเอียดสุดปลุกใจดีตลอดกันตอนพูดหน้าบีก็หน้าฟังเป็นคติดีถึงดีมาก ครวาดฟังได้อัดได้จะศึกษาเรายียนกันทั้งนั้นเรียนไปถึงไหนที่มาทั้งอาวากาศมันก็สามารถเรียนได้อยาว่ามต่ไม่พื้นกันดิน้ะนี่เลย เนือที่ตรวจดาวเทียมของการเล็ลบจากการลบนนท์จำความรู้ของคนของการหนึเรื่องความรู้ทางโลกล้วนๆ น, นี้มันตื่นจะสูงขนาดไหนก็ไม่มีการที่จะลดหรือบรรเทาความทุกข์ความลำบากของโลกลงไา้เพราะความรู้นี้เป็นความรู้ของ โลกไม่ใช่ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมธรรมมีให้ความร่มเย็นถ่ายเดียวโลกถ้าไมีธรรมเลยก็ให้ความร้อนร้อนโดยถ่ายเดียวแม้เจ้าตัวจะรู้ขนาดไหนก็ไม่สามารถจะยังับดับทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวภายในใจได้เพราะนั้นมันจะวิชาดับทุกข์วิชาดับทุกข์กคือวิชาธรรม วิชาธรรมนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสอนเป็นวิชาดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นผู้ใดเรียนผู้ใดประพฤติธปฏิบัติเพื่อทำจริงๆ จ, จะเห็นผลปรากฏขึ้นกับตนของผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นคําว่าโลกกับธรรมแม้จะอยู่ด้วยกันตึงไม่เหมือนกันเหมือนกันทุกผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ร่วมกันกี่คน สับปนกันอยู่ในสถานที่ใดสามารถรู้ได้หมดว่าไม่เหมือนกันเพียงดูธรรมก็รู้ว่านั้นเป็นหญิงนี้นเป็นชายเรื่องของโลกของธรรมก็เหมือนกันสับปนกันอยู่ก็รู้ลักษณะนี้เป็นลักษณะของธรรมลักษณะนั้นเป็นลักษณะของโลกสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนสาหรับผู้เรียนทาง้างธรรมะ แต่คู่ไม่ไเลยเรียนนั่นไมไม่รู้ได้ไม่อ่านรู้ได้เลยก็ไม่ไม่เคยเรียนจะไปรู้ได้อย่างไรก็รู้ตั้งแต่โล ก, โล ก, โลกลรุน่นเลยเห็นื่อโลกนั้นเป็นควา ม, มวิเศษวิโสเยียบทํำคนให้มีคุณค่าราคามีนิยมฐาบรรดาศักดิ์สูงมีอำนาจวาสนาสเลยสําเร็จด้วยเรื่องของโลกเป็นหมดเสียว่าเป็นผู้วิเศษ บางทั้งที่หัวใจนั้นหาความสึกไม่ได้เลยเต็มปเปด้วยความรุ่นร้อนใครจะเสกสรรตัณยอ์อของสูงขนาดไหนก็ตายถ้าไม่ใช่รุ่นธรรมแล้วจะหาความสุขจะเป็นไปตามความเสกสรรตัณยอนั้นไม่ได้เลยอยากคิดว่าโลกนี้สหาความจะมีความสุขเพราการศึกษาเล่าเรียนมากๆโดยทั้งโลกฝ่ายเดียว ธรรมนี้มีอยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดกับบคุคคลหรือสังคมใดๆาสามารถให้ความสุขแก่ผู้นั้นสังคมนั้นเป็นลำดับลำดากว้างแคของการมีธรรมะเข้าไปถึงธรรมะ เ, เป็นเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกนี้ซึ่งควรจะมีธรรมะเกี่ยวข้องทุ ก, กแหนงแห่งวงงาน ข้องานทุกชิ้นทุกอันหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทาด้วยการทําทงานงานส่วนตนก็หวังประโยชน์ส่วนตนงานครอบครัวก็หวังประโยชน์ครอบครัวงานส่วนรวมงานประเทศชาติก็หวังประโยชน์แกส่วนรวมและประเทศชาติถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่มีทำเครื่อแฝงเข้าอยนั้นแล้วงานนั้นมันก็กลายเป็นห้งความเดือดร้อนไปเสียแทงที่จะเป็นความส โลกหาความสุขไม่ได้เพราะไั่มีทรรเท่าเครื่องแป้งมีงงมรรยยนเข้ามาถึงตัวของเราขณะได้จิตของเราคิดไปในนอกคิดออกนอกรูนอกทางไปเกี่ยวกับโลกสงสารซึ่งเป็นกระแสแห่งความรุ่มร้อนความรุ่มร้อนนั้นจะต้องสะท้อนย้อนกลับเข้ามาสู่ใจเผาลวงจิตใจให้เกิดความเดดร้อนมากน้อยตา่าง ความสมบ ข, ของจิตคิดในแง่ต่างๆหนักเบาเพียงไรนั่นแหละเป็นเครื่องวัดความทุกข์ความลำบากอยู่ในตัวของมันเองวันใดจิตมีความสงบเยือกเย็นไม่วันนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องวุ่นวายสายแสบกับโลกของสารซึ่งเป็นเรื่องของความทุกข์วันนั้นจิตสบายเยิงจิตมี ความสัมผัสสัมพันธเท่ากับสมถะธรรมเพียงขั้นต้นโดยลำดับเท่านั้นก็จะเห็นความสมงบรยืมเย็นภายในใจของตนส ม, รร ม, วว ม, ส ม, มถะแปลว่าความสงบทำไมจึงให้ชื่อว่าความสงบเพราะความพุ่งสร้างความวุ่นวายมันเต็มอยู่ที่หัวใจเมื่อใจได้รับธรรมโอสถเข้าเยียวยารักษาด้วยการปฏิบัติของตัวเอง แต่ละหลายลลายแล้วย่อมปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบแล้วก็เป็นความสุขขึ้นที่ใจมันไม่เดือดร้อนอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกผิกกันความคิดในแง่โลกกับความคิดในแง่ธรรมนั้น ม, มีผิดกันอยู่มากความคิดในแง่โลกเป็นเรื่องสะสมความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาแต่ความคิดในแง่ธรรมเป็นสิ่งที่กําจัดความ ที่เล็ดปัญหาอัจระและความทุกข์ซึ่งเป็นผลในหอกออกไปจากจิตใจโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเชื่อในบุญในกรรมในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะพาอย่างยิ่งคือผู้ปฏิบัติเราจึงควรสนใจในจุดนี้ให้มากยิ่งกว่าจุดอื่นใดซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องดีแล้วไม่สงสัยคือการสังเกตจอดรู้จิตใจของตนที่ ดีเด่นอยู่ตลอดเวลาตามกระแสะแห่งกิเลสตันหาอสุวะที่มันผลักดันออกไปให้คิดคิดออกไปเท่าไรก็วาออกก่ามึกเข้ามาซึ่งเป็นตัวผลแยกกันไม่ได้คิดให้คิดในแง่ถังต้องฝืนกันอยู่เสมอในเอียบททั้งสี่ในความคิดทุกแง่ทุกมุมเป็นการต่อสู้ด้วยการฝืนโดยการกำจัดนี่จึงเรียกว่าความเพียรหนักก็ตามเบาก็ตามงานของเราเป็นอย่างนี้ ทำไมจริงรียกว่างานของเราเป็นอย่างนี้ก็คืองานแปรกิเลสพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ทรงทามาอย่างนี้แล้วท่านสาวกทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้และปฏิบัติองค์ของท่านอย่างนั้นมาแล้วต้องได้รับความทุกข์ความลบากด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าได้ทาการสู้รบหรือขึ้นเวทีต่อสู้กันแล้วท้องได้รับความทุกข์ ก่อนที่กิเลสจะบันลัยลงไปเราก็ต้องรับผ่านทุกข์มากเหมือนกันเช่นเดียวกับนักมวยที่ขึ้นต่อกันบนเวทีแม้จะได้ชัยชนะออก็ตามเราอยากเข้าใจว่าผู้ได้ชัยชนะนั้นไม่ได้รับความเจ็บปวดแสบร้อนจากคู่ต่อสู้ที่ต่อยอันี้มีเหมือนกันมีอยู่ประจําแต่นั้นชนะลงไปแล้ว มันก็เป็นเรื่องของโลกนี่เราเป็นเพียงข้อเทียบเทียมหาที่กินสุดยุติไม่ได้ความชนะแบบนั้นแต่เรื่องของธรรมกับกิเลสนี้ถ้าชนะจริงๆแล้วไม่มีที่จะฟื้นขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ของเราอีกได้เลยทุกในการต่อสู้กับกิเลสในการฟืนกับกิเลสในการตั้งถางตั้งทางพินิจพิจรารณาและมัดระวังตัวเพราะเรื่องของกิเลส ยอมเป็นความทุกข์เป็นธรรมดายอมรับกันทั่วโลกเดนทองมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เนีย่ยทรงเลิกผ่านมาแล้วถึงขันสลบสลายจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรสาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันนี่เป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่นู้นแล้วแล้วเราจะแหวกแนวไปที่ไหนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ให้รับความลําบากลาบนอะไรเลยแต่และแล้วก็โกยผลขึ้นมาเป็นคู่แข่งของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้ต้องได้รับความทุกเดินตามร้อยทันไปตามเสด็จท่านท่านทุกเราต้องยอมรับทุกท่านฝืนกับทุกเราก็ต้องเป็นนักฝืนกับทุกท่านเป็นนักต่อสู้เราก็ต้องเป็นนักต่อสู้อย่างนี้จึงชื่อว่าเดินตามครูลูกศิษย์มีครูสอนเราอย่านําสิ่งใดที่อารมณ์ใดความคิดตุงใดที่ เคยเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกหลอนกระทิบกระซาบเราให้เชื่อตามนั้นยาได้เชื่อสิ่งนั้นต้องต่อสู้อยู่เสมอธรรมะเป็นเครื่องระลึกรู้เรื่องกิเลสเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสธรรมะสติก็เป็นธรรมสติเป็นเครื่องระลึกรู้ตัวรักษาัวนภายในใจกิเลสจึงแสดงขึ้นที่ใจ เพราะสิ่งใดเพราะรูปเพราะเสียงตีนโนตเป็นตน้นต้องสัมผัสที่ใจรับผู้ที่ใ จ, จแสดงออกในแง่ต่างๆที่ใจสติอยู่กับใจย่อมจะสามารถรับทราบได้ทุ ก, กระยะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสและต่อสู้ต้านทานกันได้โดยลําดับเพราะเราตั้งหน้าลกด้วยความมุ่งมั่นแล้วนี่คือสติเป็นสําคัญเรียกว่าธรรมะ เหมือนกันหมดให้สามัดระวังรักษาตัวอยู่เช่นนั้นยาอยู่ด้วยความว่างเปล่าเฉยโดยไม่มีสติตป็นเครื่องพุ้มครองตนเลยนั้นจะว่าเป็นความสบายก็คือความที่นอนตายพลอยพิเลนมาเขาโศกนั่นแหะไม่ใช่เรื่องดีเรื่องดีต้องเป็นเรื่องที่ต่อสู้อยู่เสมอ งานของเราเป็นอย่างนี้ความจําเป็นของเราอย่างเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราเป็นอย่างนี้เพราะเจตนาหรือความมุ่งมั่นของเรามุ่ง ม, มั่นอย่างนี้แล้วจึงได้มาบวชเป็นศาสนาการผ่านโลกมาก็ผ่านมาด้วยกันก่อนที่จะบวชเป็นพระและนักปฏิบัตินี้โลกเป็นอย่างไรเราได้เคยผ่านมาแล้วถึงรสชาติของโลกเป็นอย่างไงนอกจากเป็น เือด้วยอยากคือเสียทุกแง่ทุกมุมตอนนั้นไม่เห็นรถใดความสุขใดที่จะเป็นที่ตายใจได้ส่วนรถแห่งธรรมนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ตายใจได้โดยลำดับลาดับไปนีเรามาหวังพึ่งธรรมการดู่เป็นอยู่ปูวาของเราปรจัจจยทานทั้งสิ่คือจีวรบินทบาเทเสนาชนะกีฬานะักเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยศัทธา ของประชาชนทั้งหลายถึงก็ซึนเขอพรออยู่แล้วที่อยากสักบูชาพระผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบเขาอุดหนุนค้ำชูอยู่แล้วไมไ่เป็นข้อวกวิจารณ์กังวลนใดนๆพอที่จะให้เสียเวล่ำเวลาในการประกอบความภาคเพียรมีหน้าที่อันเดียที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้กิเลสดุดลอยลงไปด้วยอุบายวิธีการแห่งความฉลาดแหลมคมของตนแต่ละหลายหลายที่จะนํามาใชา้ มีเท่านี้งานของพวกเรางานอื่นไม่สําคัญสําหรับสมณะผู้ปฏิบัติตามล่องลอยของพระพุทธเจ้าเราอยากเข้าใจว่างานอื่นใด จ, จะเป็นของมิสจฉิโสเลื่อเพล่พอที่จะหลงทิศหลงแดนตื่นเต้นหลงโลกหลงสารไปตามเขาใารจะสร้างอะไรขึ้นเป็นความเจริญขนาดไหนก็เป็นเรื่องของโลก มันกลายเป็นโลกไงหมดแล้วขอให้สร้างใจซึ่งเป็นความจเจริญอันสำคัญนี้เถอะจะเป็นที่พอใจสมหับ ต, ตัวเองอยู่กระตับฝนตกบ้างรัวบ้างขยับที่น่นขยับที่นี่มันก็สบายหายกังวลไปก็ไม่เป็นห่วงเป็นไงเราไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศเกียติคุณด้วยสิ่งที่โลกเขานิยมกัน นั่นเป็นเรื่องของโลกนิยมขนาดไหนก็สัตว์แต่ว่าความนิยมคนเจยไม่เห็นเป็นความจริงที่จะให้ตายใจได้เลยแต่ธรรมนิยมคือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้จะเป็นที่อบอุ่นภ า, นาในใ จ, จิตใจของตนทั้งทั้งที่อยู่ขระตอ่อและเกล็ดไม่น้อ ย, อยโดยที่ได้ประกอบความภาคเพียรเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามในเรื่องเวลาไม่คาดเถือน ทติเป็นของสําคัญในการรับรู้ระหว่างกิเลสกับธรรมที่จะทําลายกันส่วนมากกิเลสทําลายธรรมให้นํามัดระวังให้ดีมี่ลหน้าที่ของเรางานของเราแทๆ้ๆนั้นที่เคยได้แสดงให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วด้วยความถึงจใจจริงๆด้วยความทราบซึ้งในหลักธรรมเหล่านี้จริงๆขอเท่าที่ปฏิบัติมาก็ ไม่เห็นปูนข้า่งทำอย่างนี้เพราะได้ทำตามทำหล่านี้แล้วทังที่ท่านสอนว่ารู้ขโมยเส้นนาสนะนั่นคือที่อยู่ที่ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญของผู้หลังหลุดพ้นจากทุกข์หรืประการทั้งปวงด้วยงานคือเกียิารุลมานาคาติตาตะโจเป็นต้นน่ลงมาในอาการสามที่สองระจากรรยากาศกรรมฐานแปลว่ากรรม กรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเมื่อจะแร่ออกตามสักนี้คือถ้าจาบรรลิกกรรมฐานหมาถึงเอาหนังครอบหมดเลยเพราะหนังเป็นประโยชน์สำคัญเป็นสิ่งสำคัญมากที่ปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกในความสิ่งทั้งหลายของจิตใจพวกเราไว้ได้อย่างมิดชิดมากทีเดียวแม้จะบางๆกง็ปิดได้อย่างสิดเพราะฉะนั้นเมื่อไปสอนไปถึงตะโจแล้วจึงร้อนกลับมา พิจารณาตั้งแต่ผมผนเลือกปันสรุปแล้วลงถึงหนังให้เห็นหนังชัดอย่างชัดเจนถ้าหลอกออกมาในเนื้อในการของหลังพล็กข้างในออกมาข้างนอกจะเป็นยังไงข้างนอกได้เห็นแล้วมันหลอกเราจะหอกข้างนอกดูตรงไหนมีจะเลือกหลอกท้างนันผิวข้างนอกเป็นผิวที่หลอกบุรุษตาฝันผิวข้างในเป็นสิ่งที่จะให้เกิด ปีทายานความสามารถอย่างราบในอาการทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ว่าเป็นเหมือนกันกันกบหนังข้างในนี่แหละนะท่านถึงสอนย้อนมาย้อนหลังอนุโลมปฏิโลมก็เหมือนเขาคราดมานั่นเองคาดกลับไปกลับมาจนมูลคาดมูลไถแหลกละเอียดควรแก่การปรับจำแล้วค่อ ย, อยุดการพิจารณาก็เช่นเดียวกันแล้วอย่าเอา เวล่ำเวลาอย่าเอาปริมาณการนับการอ่านว่าได้พิจารณาเท่านั้นเท่านี้เข้ามาเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นมรรคผลนิพพานแต่ให้เอาความชํนานิษฐ์ชนาญแห่งการพิจารณาซ้าๆซ้ำๆหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจอย่างทราบซึง้งถึงใจจริงๆแล้วปล่อยวางในสิ่งต่งางๆเหล่านี้ไม่ยิดมั่นถือมั่นพราะเห็นตามเป็นจริงด้วยปยัญญาอันชอบธรรมแล้วนั่น ปล่อยหรือไม่ปล่อยก็าตามเป็นไปเองโดยหลักธรรมชาติดังทำท่านกล่าวไว้ว่าสันทิฏฐิโกบีหลังงานของพระพากันเข้าใจฝังลึกๆยาพากันตื่นเต้นยาพากันหลงโลกหลงสงสารออกนอกลู่นอกทางไปตามโลกตามสารหรือการก่อน่น้างานนี้ยุ่งไปหมดสร้างวัดที่ไหนสร้างกุฏิราลาลงธรรม สร้างที่อัน ส, งสิงนั้นสร้างสิ่งนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขมันเลยเป็นเรื่องของโลกไปหมดครับความสงบร่มเย็นภายในจิตใจไม่ได้เพราะงานนั้นไม่ใช่งานสงบงานเพื่อความวุ่นวายทั้งภายในคือภายในวดัดภายในตักบ้ น, นเองและประชาชนผู้ให้การอุดหนุนเลยกลายเป็นเรื่องกวนบ้านควนเมืองเข้าไปจนขุ่นเป็นตมเป็นโขน ร, ระหว่าง คารมาสกับปุญญเกษตรตังโลกาสะที่ว่าประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนั่นก็กลายเปนปรปะปักกันไปกลายเป็นผีมันไม่ใช่เนื้อนาบุญคอยกัดตับกัดปอดเข้าไปแหลกไปหมดนี่มันเป็นทางสมอได้หรืงไรที่นานั่นแหละคือไม่เพราะมันไม่ใช่งานของพระงานของพระทำตัวให้ดีทำจิตให้มีสติปัญญา เป็นผู้รักษาเสมอยาได้ปราศจากสติปัญญาจิจะมีคุณค่าขึ้นในตัวของเราพ้นจากอำนาจของสติปัญญาที่เป็นผู้ฝึกผู้อกรมหรือทรมานไม่ได้ทำงานก่อในวงที่พูด น, นี้อัากาไว้ถึงสี่สิบห้องกรรมาฐาน จะเป็นห้องใดอันใดก็ตามก็คืองานที่สำคัญที่เหมาะสมกับสลิจของเราแล้วนำมาฟืกนตัดมันนำมาบงเพ็ญในเกสาโลมานะะาขาลงตาตะโจอันใดที่เหมาะสมหรือเลยจากนั้นไปถึงอาการสามยี่สองเราจกผลผลแลฟันแล้วก็นังเนื้อเองกระดูกเรื่อยออกไปจน <c oughs> ถ้ากระปลอดใสใหญ่จะน้อยหมาหางเก่าพิจนากันลงให้ ทั่ถึงให้เห็นชัดเจนตามความจริงซึ่งมันมีอยู่แท้ๆภายในร่างกายของเราทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องทําไมจึงไม่เห็นทําไมจึงไม่รู้พระพุธทธเจ้าทําไมรู้สาวกทั้งหายท่านทําไมรู้ตาท่านเหมือนกันกับตาเราสติของท่านใจของท่านเหมือนกันกบใจเราเป็นเพราะอะไรท่านถึงรู้เพราะท่านใช้สติใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ชอบเข้ามาพิจารณาตาม ความกลินของสิ่นล่านี้ก็กลายเป็นปัญญาชอบเป็นสติชอบขึ้นมถอดถอนกลิ่นที่เป็นภัยออกได้เพื่อความหลมงมัวลายของตนเองกลายเป็นความฉลาดแหลมคมขึ้นมรู้เท่าทันนี่งานนี้เป็นงานหรือถอนจิเลสป่าชวะที่สมควรนันเป็นงานของข้างโดยแท้พากันหนักแน่นในงา น, นอย่าเห็นงานอื่นใดว่าเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่างานนี้ไม่ใช่หลักของสัมณะธรรม หมายถึงานที่พระพุทธเจากก้าประทานใหน้นั่นก็พออยู่อพอเป็นต่อเตาไปที่ไหนพอเป็นพอไปแล้วอย่าดุ้งเยือดวุ่นวายก่อควรตัวเองตอบกล่าวให้เกิดประโยชน์ให้ขุดค้นลงที่นี่จะทุกอย่างลําบากเท่าไรให้ถือว่านั้นแหละเรียกว่าเข้าสู่สงครามแล้ววันนี้ลําบากต่อสู้กับพิเรนกั์นาสวัสดิจิตไม่ยอมสงบได้เป็นข้อเหตุใด ตั้งหน้าตั้งตาฝุดผู้เฉี่บฝุดคน้นถึงสาเหตุทิศ ท, ท้ายพุง่งทําลำขาดเป็นก็เห็นใจที่ต้องพุ่งท่าพุงา่งท่าแต่กับอารมณ์อันใดนาอารมณ์นั้นมาพิจรารณาแยกแยะดูให้เห็นตามเห็นความจริงของมันอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่พ้นที่จะย้อนเข้ามาดูกระแสของจิตที่หลงงมงายในสิ่งนั้นว่านั้นเป็นนั่นนี้เป็นนี่แล้วผูกมัดตนเองด้วยความมึนหลงด้วยความสําผัสมีการพิจารณา อย่างน้อยให้จิตใจสงบให้ได้บังคับด้วยสติปัญญาต้องสงบจิตใจไม่นอกเหนือสติปัญญาไปได้แม้แต่กิเลสทุกประเภทไม่เห็นนอกหนืสติปัญญาไปได้เลยทําไมจิตจะนอกเหนือสติปัญญาได้ไปได้หรอทนี่เป็นสิ่งที่เหนืออยู่แล้วเป็นเครื่องฝุกผลทรมานเป็นเครื่องดับตัณฑานนี่เป็นเครื่องประหารกิเลสทุกประเภทได้โดยทั้งหมดไม่ต้องสงสัยอยู่แล้ว ทำไมเรานำมาท้าจึงลมลุกคลุกครังนี่จะกิเดลสฟันเอาฟันเอามันเป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะเราเองต้องฟิตตัวของเราขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์แล้วอยู่เฉยเฉยทติปัญญามีให้ท้ายหาอุบายคิดค้นต่างๆเดี๋ยวก็ส ะ, ว ส, กะสะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งแล้วสะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกอันชอบถรรเป็นเรื่องที่ใครรู้เรื่องของกิเลส ทำทั้งหลายโดยลําดับลาดับไปเพราะความทิดอ่านตรจองในแง่ธรรมต่างๆจะเป็นส่วนสรรพนกายเราโดยพระพอหรือจะเป็นภายนอกเวลาสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดนํามาพิจนารณาแยกๆให้เป็นปฏิธรรมเป็นมรรคได้ทั้งภายในภายนอกสังขารอันเดียวนี้แหละแยกเป็นมรรคคือทางดําเนินก็ได้สังขารอันเดียวนี้แหละแยกมาเป็ น, ม น, น, น, นสนนนมุทัยก็ได้ปกติสังขารนี้ เป็นเครื่องมือของพิเด็จเป็นตัวธงไทยได้ถึงอย่างดีอยู่ตลอดมาไม่ต้องสงสัยแต่ที่จะให้เป็นเครื่องมือของมักเพื่อดำเนินให้หุดพ้นนีงต้องได้ฝึออกฝนอบรมนาทั้งขันนั้นมาช้าในทางก็เป็นเครื่องมือของทำขึ้นมาหิตไม่สงบเลยหาความสุขได้ที่ไหนพระเราโยก็อยู่ในกองนรกนั่นเอง นรกสูงอยู่ภายในใจคือไฟที่เลยด ร, ราคัตตินาโทสัตตินามวหตินานี่แหะคือกองไฟมันเผาหลานอยู่ภายในจิตนี้ตลอดเวลาเราหาความสุขได้ที่ไหนโลกนี้มีความหมายที่ไหนแม้ที่คือร่างกายชีวิตจิตใจของเราก็หาความหมายไม่ได้ถ้าลมกิ่เล็ดนี้มันได้เผาจิดอยูตลอดเวลาอยู่แล้วมันคับแทบปิดกั้นตหอดน่าจะทำไงถึงจะให ทั้งขาร่างกายที่จิตใจมีคุณค่ามีความหมายขึ้นมาก็ต้องอาศัยทำซึ่งมีความหมายอยู่แล้วนั้นมากราบการแก้ไขสิ่งที่ไม่มีคุณค่าถือที่เหลืออันเป็นตัวสาคัญทําให้เรามีคุณค่าไปนั้นได้ท่านสลายตัวลงไปความสงบเกิดขึ้นมาเองความสงบเป็นสําคัญขั้นเริ่มเลยจิตไม่สงบเลยหาความสบายไม่ได้ อยู่ท่าการแห่งกองปืนกองไฟราคัตินาโทตสักินาไมากินานม่มีอะไรเป็นปอัศเซอร์อัศจรรย์มีแต่ผ้าเหลืองพอกตัวอยู่เท่าไหร่เป็นประโยชน์อะไรอยู่ีนร้านจ เ, เป็นอดอยากหรือผ้าเหลืองแล้วไม่ต้องการผ้าเหลืองแต่เป็นเครื่องหมายให้ทราบว่า น, นี้คือเครื่องหมายของเพศนี้ทําหน้าที่นี้ทําหน้าที่ไห้มีเครื่องหมายของพระ หาทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ถอดถอนที่เดศไม่ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมที่เดศไม่ใช่หน้าหน้าที่ที่จะนอนอยู่ในกองฟูนกองไปคือราคตินาตูปตินาโมกินานอนอู่กับความให้อยู่กับความสงบเย็นอยู่ด้วยอยู่ด้วยความสงบพิจนารณาแยกแยะดูผักดูขันอันตรจรทุกขังนต า, าหรืออสุภะอสุภัปงปฏิปูลโสโครซึ่งมีเต็มอยู่แล้วภายใน ร่างกายของเรานี้ทุกสัตว์ทุกสว่วนไม่บกพร่องเลยความปรากูลหนังถ้าพูดถึงอ น, นิจจังทุกขอังอส า, าก็เต็มอยู่เหมือนกันอยู่ในวัตถุอันเดียวกันนี่ถ้าติปัญญาคน้นควาหลงที่นี่ให้เป็นที่เข้าใจการอยู่กับครัวบาอาจารไม่เป็นของแน่นอนเดี๋ยวก็โยกยา้ายผันแปรกันไปเพราะอยู่ในท่ามกลางของโลกอนิจจังในขณะที่ไปมาพักมาสายมีผู้อบรมก็ ตั้งหน้าตั้งตาประพฤ้นปฏิบัติการจากสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนออกอเมื่อความเพียงขัดข้องตรงไหนให้ถามครูบาอาจารย์เราพร้อมเสมอที่จะแก้ไขวิธีเจรให้ทราในด้านพิจตภาวนาไม่ใช่แต่มีแต่เวลามาสอนแล้วก็ไม่สนใจกับไขเราไม่เป็นอย่างนัง้นเอาคอยฟังเสมอเรื่องผลของการพื้นปฏิบัติของหนึง่งคู่ ในการควรที่จะศึกษาเรายินดีที่ศึกษารับกาศึกษาเสมอมันเห็นขึ้นมาให้รู้ขึ้นมาจิกใจถ้ารู้ถ้าเห็นถ้าสิ่ปติการต่างๆมันหากมีแ น, น่ข้อข้องใจขึ้นมาจนได้แหละยิ่งขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่นแหละคือบอกแห่งปัญหาทั้งหมดมันขึ้นมนบาบางอย่างก็เราก็แก้ได้เองบางอย่างแก้ไม่ได้ต้องอาศัยครูบาอาจารยาา์ช่วยแก้ โดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้น้มว่าสาวกแปล ว, ว่าสาวกะคือผู้ฝังต้องฝังถึงจะเข้าใจวิธีปฏิบัติปฏิบัติสยามภูก็คือพระพุทธเจา้าทรงรู้เองเห็นเองส่วนสาวกต้องเป็นผู้ที่ยิ่ในฟังเราก่อนในนามของสาวกคือผู้สะดับกลับฟังเหมือนกันกันกบท่านฟังแล้วให้ ฝังลงจิตใจอย่างแท้จริงอยาฟังสัพท์จว่าฟังเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเเทนอวไรก็สลัดทิ้งหมดไม่มีอะไรติดบนหลังมันเลยศาสตร์ธรรมะเข้าไปเอะไรก็สลัดทิ้งหมดอานาจของกิเลสมันสลัดทิ้งไม่เข้าถึงจิตถึงใจเป็นงูปล า, าลุงดมดอ น, นไปในขณะที่ฟังฟังไปแล้วก็ยิงง่าม่วมเที่ยว หาหลักหาเือนหาเหตหาผลที่กเกกับเครื่องตนไม่ได้ด้วยสติปัญญาของตนเลยงอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่หลักของผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงที่จะมาทำตนเป็นอย่างนั้นซึ่งเกี่ยวเหมือนหมูจะคอยขึ้นเสียงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ถักเราเป็นห่วงมากสำหรับหมูเพื่อนจึงก้องให้การอบรมอยู่เสมอ เราไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่าภายในวัดนี้นอกจากพระที่อยู่กับเราเท่านั้นจะได้ทำประโยชน์แก่ตนให้สมบูรณ์และทำประโยชน์แก่โลกในอันดับต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกแต่ขณะแรกนี้ให้ทาความสนใจอบรมสั่งสอนตนให้เขา้าเขา้าใจนะในธรรมจนเป็นผู้มีหลักฐานเป็นที่แน่ใจแล้วเรื่องประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้นจะตามมา ดังพระพุทจ้กเวลาทรงบำเพ็ญก็ไม่ทรงสนสะทายกับผู้ใดทั้งนั้นทรงบำเพ็ญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซนกรทั่งโดจัตตรู้ธรรมถึงแดนค้นคุกโดยสมบูรณ์แล้วทีนี้ก็ทรงทําหน้าที่แห่งความเป็นจาการวาลกะกัดทาําสอนโลกด้วยพระเมตตาล้วนๆด้วยมาจนกระทั่งปฏิฐานแล้วยังประทานพระอวาทไว้ทรงทั้งแบบนี้ นั่นประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันการทำหน้าที่อย่างนั้นตามอำนาจวัฒนาของท่านผู้ใดจะมีความกวางฝังมากน้อยเป็นไปะตะการกริกนิสัยวาฒนาขอ ง, งตนของตนแต่และองค์ละองค์การที่จะสั่งสอนคนอื่นทั้งๆ ท, ที่ตนก็ไม่ไดเขาเข้าใจรู้เรื่องราวอะไรเจ้าอะไรจะส อ, อ, อนเขาพอให้เกิดเกิดความจัดความจริงเป็นที่แน่ใจไ ด, ได้ไม่มี ถ้าเราไม่ได้ความจริงจากจิตใจของเราจากการปฏิบัติของเราก่อนแล้วจะเอาความจริงไปสอนคนอื่นอย่างถึงาจงนั้นมันเป็นไปไญน่นดาก็ต้องสอนแบบรูปคําฝังเมื่อการสอนแบบรูปคำคำผู้ฟังจะเอาความจริงมาจากไหนก็ต้องฟังแบบรูปคําคำเหมือนกันผล ท, ท้ายก็เหลือทั้งสองฝ่ามันจิดประโยชนอะไรมันมีแต่ชื่อของธรร ม, มะมีแต่ชื่อของสิเลตเต็มอยู่ในหูเต็มอยู่ในใจ ความจริงของธรรมนั้นยากทาร่าใจจะเอาอะไรมาเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งผู้เทศผูสอนทั้งผู้มาสระตัดต่างไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นนหละเพียงค่าดเดาๆกันกไปนความรับถือศาสนานด้วยาการคาดกันเดาการพิมพ์เป็นเป็สิ่งที่ทําให้ลห้มง่ายๆ เ, เอียงได้อย่างง่ายดายคิดกับผู้ที่เข้า อ, อกเข้าใจทางด้านปฏิบัติจนเป็นความจริงใจอย่างเต็ง นั่นไม่หวังไม่ไหวสอนก็สอนตามเหตุตามผลตามความกลับความจริงอย่างองอากระหารเพราะสอนออกมาจากสิ่งที่ตนรู้แล้วเห็นแล้ทุกอย่างแต่เชอประสบการณ์หลาหม่ยที่ไหนจะรู้คําคําได้อย่างไรเมื่อของจริงมีอยู่กับตัวกระจักกับใจแล้วต้องแสดงของจริงออกมาอย่างเป็นเม็ดเป็นหนวนตามขั้นภูมิที่ตนได้รู้ได้เห็นบูฟังก็ฟังอย่างถึงใจตามครามกาลังความสามารถของตนเช่นเดียวกันนั่นระคั่งพุทธกาลท่านสอนกันท่านสอนอย่างนั้น เพราะฉะนั้นทำที่เข้าถึงจิตใจคนทางภาคปฏิบัติจึงผิดกับทำที่มีตั้งแต่ความจํานีแต่ชื่อขอ ง, องกิเลสบาปทำเป็นหัวใจแต่ไม่เห็นหัวใจดวงนั้นได้ลดละกิเลสพอให้ลดน้อยลงไปเลยมั่งเกิดประโยชน์เอาให้เห็นความจริงความจํากับความจริงนั้นผิดกันคนละโลก เห็นเราจําขีเด็ทันหาอาสะวะเท่านั้นท่านนี้จำแรกถึงนัดผลุพานนี่เป็นความจําแต่เวลาปฏิบัติจนตากฏความริ้นแล้วนั้นผะิดกันอยู่มากความจำไม่ยังขีเด็ดให้หลุดลอยไปเลยแต่ความริ้นนี่กิงรู้จริงเห็นกินเข้าถึงไหนขีเด็ดหลุดลอยไปถึงนั้นรู้จริงโดยรอบครอบปัดคิดขีอขอเดหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือนะนี่แหละความริ้น เห็นด้วยตนรู้ด้วยตนเรียกว่าความจมี่งมันเป็นความเดาความาคาดอันเอาให้จริงจังธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทําให้ประจักษ์กับภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้โดยการอย่าลดลนะความท่าเกียรติตัณฑ์ตัณตาตัวผึกปฏิบัติทุกทนเอาให้ทุกด้วยกันทั้งนั้นแหละทําไมจะไม่ทุกข์ไม่ใช่คนตาเวลานี้ทุกข์กับทุกข์ก็ เพื่อการต่อ hmm. ส um. ู้ความทุกข์ต่างๆไม่จะทุกเพื่อจะล่มจมที่ไหนกันพอจใหเกิดความพ้อถอยอ่อนแอมีทุกข์นี่ทุกข์ทุกข์เพื่อชัยชนะทุกข์เพื่อลบล้างสิ่งที่จะทําให้เกิดทุกข์มากยิ่งกว่านี้ให้หมดปลายจิตใจทําไมจะเห็นความทุกข์เหล่านี้ว่าเป็นของหนักหนาจนเกินความสามารถทั้งตนน่าท้อถอยเสียเวลาจะแบกทุกข์ซึ่งเกิดข้ราะหน้าของจิตที่ทำละมันไม่ได้มันเราทําไมเราจะสามารถแบก กองทุกข์แบบนั้นได้เราต้องคิดเทียบเทียงเหตุผลเราเป็นนักปฏิบัติถ้าติปัญญาหุงต้มแกงถึงไม่ได้ต้องนำมาใช้ในการได้แก้ที่เดชัิหาอะเราจึงจะเป็นความถูกต้องตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนม้มนรรมรรมทุกงอกทุกหน่า การเป็นแบบโดยลำพังเป็นอันดับสองถ้าผมเองเป็นหนังนั้นต้องเทงิดพระนางครัวจันแต่นี่หมายเพื่มาพูดเทิตามความรู้เห็นจริงนะไม่ได้หมายงเงว่าเทศดสุ่มสี่สุ่มห้ายิ่งสร้างความกังวลวุ่นวายอะไรขึ้นภายในจิตใจเราไม่หมายอย่างนั้นหมายถึงการเทิดด้วยความรู้นหนจริงของผู้ปฏิบัติอบลมด้วยความจริง จากภาคปฏิบัติจริงๆนั้นการฟังเทศนี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งคืจิตก็สงบได้ง่ายถ้าอยู่ในจิตที่อยู่ในขั้นสงบแม้แต่ยังไม่สงบคนยังสงบในขณะพิเทศษเพราะความรู้นั้นสก่ากับเสียงกระแสร่างทำเข้าไปสัมผัสยับยับไม่มีโอกาสทิ้งทิงในแง่อี่นๆกาเดินการโผล่จิใส่ชอบคือยู่สมอง แค่แต่บางคับด้วย่คิดแต่ภาวนามันยังคิดได้อย่างสะดวกสบายของมันเพราะมันเคยมีอำนาจคติบรรดาอยู่แล้วโดยปกติสติบรรดาที่ติของเราที่เคยที่กดรมบางส่วนจริงไม่ทันกับมันงั้นพอฟงภาพปฏิบัติอาศัยเสียงตั้งจิตไวเ้เฉพาะต่ออยู่ภายใน เสียงผ่านเข้ามายาับยับเข้าใจความหมาย ค, ค, คลย้องคล้องค้องแล้วจิตมันก็ถูกต่อกันกับกระแสเสียงด้วยๆมันมีโอกาสที่จะน้อยแล้วก็สมงบตัวลงไปอนีอโดยผลประจับง่ายกว่าที่เราปฏิบัติโดยลำตังเรามีจิตมีฐานในความสงบด้วยแล้วก็วยิ่งรวดเร็วพอฟังนี้จอดไปนั้นจิดมันแน่วมันลงเลยบางที เลยต่ อ, อยกระทั่งเสียงเคลือนเข้าเคลื่อนที่ของตัวองแล้วอยู่เดินทางไม่มาสนใจกับเสียงเลยเสียงถังเดี๋ยวนั่ตัวทรงตัวได้แล้วโดวยลําพังขนาดนั้ น, น, นไม่จําเป็นต้องอาศยัยเสียงก็จะต้องทำเท่าไรพยุง น, น, นั้นมีนเราปวดถึงขั้นสงบปวดถึงขั้นปัญญาเวลาเส้นเทอดมันขยับตามนั้นมันไม่ได้อยู่กับที่ คกินมันจิมันเหมือนจะเหาะจะบินนะอำนาจของปัญญาแต่อยูร้อนโดยลําพังก็หมุนติ่วติ่วแล้วยี่งฟังกันเพอนแล้วโอ้มันหมุนี่ตามนี้เร็วขึ้นกว่าปั๊บปั๊บปัเหมือนท่านเบิกท่านเบิกหันขยับตามอล้วทีนี้พอไปถึงสุดที่เรากําลังพิจารณาคล่องใจตรงนี้กันจะว่าเหมือนกับมันจอดนะพอท่านเธอินไปเรื่อท่านทุ่งเลยเพราะท่านรู้แล้วเราไม่รู้ พราะท่านพ่งนั้นปุ๊บมาโ ด, ดถึงต่างเลยนีได้เหมือนกับว่าก้าวไปขั้นเหมือนกันเราจึงเชื่อเชื่อจริงๆว่าขัา้นพุทธการทีพระพุทธเจ้าทรงแสดงทางบรรดาพุทธบริษัทและบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เชื่อได้ยังไงความจริงมันมีอยู่ประจักษ์กับเห็ น, หนในตัวของเราเองเพียงเท่ากับหนูตัวหนึ่งมันยังพอจับเงื่อนมาเป็นสักขีพยานกันได้หมือนกับตัวเอง ะความพระพุทธเจ้าเขาจะเฉลือสลับแย้มคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเ น, น, านการสั่ ง, งนนสนตัดโลกด้วยอุบาตา่างๆนั่งเราชื่อเป็นทัศดคอุปเเอางัมาเพระภาษาโวกล้นยกถึงจะรู้จิหิินมาแล้วสอนเขตรงไหนพูดไปตรงไหนมีแต่ความชินทั้งหมดจากความรู้จินหิ้งิท่านทั้งหลาย ผู้ฟังที่มุ่งกับความจริงอยู่แล้วมันต้องรู้มันต้องเข้าใจมันต้องซึ้งมันจะเทเขาเป็นพิคีืตัวเองก็ไม่สั่งเรื่องทำมาเป็นจำได้ไว่ากันเุ็นผถือาป้าผู้ฟังฟังไวอังเป็นอุปนิสัยปัจจมันไม่ใชเรื่องเื่ท า, เา ท, บบทางภาพพิัเร็กับะทาปริยัตยมีคือต่ายงมากเหมือนลืมเมื่อนะ่นเรื่องปริยัตยิ นำมาเทลงระยะไม่เรื่องเหมือนก็ไม่ได้เดือนเนี่ยยกขาถาแปรไปอีกอย่างหนึ่งด้วยนะแต่ไม่ผิดกับคาศิต่์แปตามความถนักในความรู้สิ่ตัวเองที่จะปฏิบัติมาคล่นเป็นคําเหมือนกันอย่างพ่อแม่โคจังก็เหมือนกันเด่นั้นยกคาสิตร์เป็นปับแต่ปุ๊บไปทางนี้ปุ๊บ้าหลังมายกอีปั๊บปั๊บไปทางนี้แปลคู่ด้วยกันพอาะความถนัดแล้วคมทันหลายสั่งหล้วคมเคลียรสิ่นี้ตลอด มันมดนี่ยความฉลาดคลิกกลางเสลี่ยนแปลงก็ได้ทุกแม่ทุกเนืน่อในกระทูนเดียวกันนั่นผิดกันหนึ่งความสลาดความโง่มันผิดกันมากเราจึงกล้าพูดโอ้ยยิ่งกว่ามหาเก้าประโยคน์สิประโยคน์เลยว่ า, างอารแปลท่านรวดเร็วที่สุดพยโยกเป็นปุ๊บแปลปุ๊บเลยมหาบริเวณสี่ประโยชนเราก็เคยฟังมาแล้วเราไม่ได้ประมาทเราฟังมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆ กลัวก็ลัวจะแปรจากกลัวจะผิดสัพผิดแสงเอาเงนินถอยหน้าถอยหลังนี่แหะแปรไปดิในมีแปั้งแต่แัพท์แสงยกต้มีธาวิพัฒตัดใ จ, จบ้าไปหมดไม่ฟังเลยไม่ไเรื่องทํานีอย่างนั้นเอาเงินเนื้อเอามาเลยเี่เนื้อมันเอามันจะกระโดดไปไม่มาแ่ะ เนื้อมันโยนเนื้อออกมาโยนเนื้ อ, อ, อมาค ว, ว้าเอาเนื้อออกมาสิเดียวติดกันเราจะให้ใหคนไปเห็นนีเอะไรวาการโอนมองดูขึ้นอะไรนีคิดกันคิดคนทั้งหลายดูมากสิเดียวเราเป็นชาว่านเป็นักทั้งเจิดก็ถูกขึ้นเหมือนมันเหมือนไม่คินเลยเนี่ยคือกระทั่งความที่จะถือประโยชน์จากท่านมันไม่ขคิน มันจะพูดที่เล่นที่กินบางทีท่าทนพูดนิทานมายก็พูดพอพูดไูดไปสัมผัสนิทานแล้วท่านเอานิทานออกมาแล้วโอ้หมันขบขันเล่เมื่อไรแต่ท่ า, าน็หัวราอนะพู ด, ย ด, ดเยเลยรามจะตายอแต่ข้เปียกๆสอ น, นเราเราะโงน่นี่แหละว่าไปโน่นแต่มืองอกับมันเ ห, นเหมือนก็ไปี้ไปโน่นแต่มือมงงอมาเนี้ยขี้มาพวกเรานี่ หลับไปไกลวกกับมันนี้ตาก็แหลมคมตาดิ่งหูกร็รวดเร็วเป็นเราคิดลำพึงลำบางครั้งคิดผิดผิดทำไมไม่รู้นะแา่เรื่องเย็บผ่าน เ, เย็บอะไรทั้งหมดไปเรื่องแต่เวลาท่านมองอท่านมาธิถึงเร็ว ย, ยิ่งกว่าตาที่หมูทีหมาเรานี่ โอ้อะไรท่านได้ยินนะอะไรอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินยังไงจิดอยู่กับตัวตลอดเวลามีเวลาไหนที่จิตจะพ้าดจา ก, กตัวไปนั่งหลักใหญ่ตรงนั่งความรุ่งท่า น, น, นไม่ไพลากจากร่างนี้ไปเลยถึงจะแยกไปตรงไหนคิดไตรงไหนไหนก็ตามความรุ่นเป็นหลักอย่างนี้เลยไม่ไปไปหมดทั้งเนทั้งตัวเหมือนเราเราจะคิดอะไรไปนุ่นความรู้ถึกไปอยู่นู่นอันนี้ไม่มีเลยยังเดจอ่ตร่าง ก็ดูกเศษคนเคลื่อนที่คุณไงเศษผ้าเคลื่อนที่คิดถึงโน้นไปโน้นจริงจริงคิดไปเรื่องอะไรไปเรื่องโน้นจริงจริงความรู้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนี่มันถิกกันที่ตรงนี้ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเราเชื่อแน่ร้อยเปอนเลยเห็นว่าเชื่อใครหลังนี้นะแต่ก่อนก็ไ่้รับผิดนีิสิตและศิลป์ธรรมตาธรรมกายที่ดีนะอะไรเห็นแล้ว โห่ก okay? be right. <group> anyway. ็ได้ยิงก่อนน้ครับให้รก่อนดูโนพ่าจิวอนสบงของไทยบริขษัทอนไรคลองผ้าดิโนท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่นู่นะนู่นบเวลาจะบอกให้ตัดที่สบงที่วอนเวลาของมีมาตัดให้องนั่งนั้นนั่นที่เลยจุดูดิตัดโครงให้จิวนั่นองนั้นตัดจิวอนให้องนี้ตัดทั้งตาตีให้องนั่งนั่นนั้นผ้าเป็นอย่างนั้นนั่นๆนังท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่นู่นะ ถ้าไม่บอกเห็นคนดูแล้วให้ก็ไปรวดเลยจนหมอท่านเราอยู่ด้วยกันถ้าตาใสยิ่กว่ตามแมวมันยังไม่เห็นถ้าตาไม่คิดจะมาตาใม่สังเกตตาท่านสังเกตตาไปถึงไหนความรู้ไปถึงนั้ น, นก็แสเสียงมาสัมผัดสัมพันธ์รู้ไปถึงนั้นทนน้องก็รู้ทานนี้ก็รู้ต่อนเนื่อง ก, กันเดิลยมาสัมผัสนี้ปุ๊บรู้ทันที เพราะคํามรู้ไม่ออกจากตัวมีแต่กระกแสของรู้ของโน้นความรู้อันตั่งเดิมไิงอยนี้เล่ามันไปทั้งหมดเลยล่าอะไรไปหมด่นนเหลือแต่ร่างนันก็ผิดลอดพี่อืมยอ ม, มับอันไ่ทราเวลาไหนทั้งเถือจิตไม่อยู่กับตัวมีเวลาไหนมันไม่มีนะี่เป็นประจำเรียกว่าปกาลิโกอาการลิาารจุต หิดไม่มีการไม่มีเลลาไม่มีอะไรเข้ามาตัดคอนความรู้ซึ่งเป็นอยากธรรมชาตินั้นให้ขาดไปเป็นรักเป็นตอนระยะนั้นรู้ได้ระยะนี้รื้อได้ระยานี้รไม่ได้ท่า น, นไม่มึนมึนติดตั้งเวลาเที่ยงอเสียงนี่เสียงท่านกลางวันได้ยินประตูว่าเคย ดังนดังเ่งยิ่งธรรมะสูงท่าไรละเอียดเท่าไรย่หมุนเต้ยวเตียวมาพลังของจิตพลังของธรรมมันควรจะเห็นอธิวัตคาเรื่องนันหยงทั้ ง, งคุ้นไค่เมื่อไม่คุ้นใครสง่ า, า, าพ่าเผออยู่ตลอดเวลาธรรมประเภทนี้ไม่คุ้นใคร รอบกลยก็แลว่านเพลิคือธรรมนาก็สองชั่วโมงนะอย่างน้อยสองชง่วโมัแก่รยก็ยังน้อยสองชั่วโมงเกคือส่วนมากกะหนือสามชั่วโมงบ า, างทีสี่ชั่วโมงโมงนันเพินเพะ เรามุง่งต่อทำอย่างยิ่งอยู่แล้วหนะึ่งและอยากได้ยินได้ฟังก็เพิ่มกำลังของจิตใจและให้ใจยินงความรู้ความสำหรนบในแง่ต่างๆของธรรมปฏิบัติหนึ่งจากการฟงการอบรมของท่านเราต้องเติมเติมเติมเยิมจริงจังจังไม่มีที่ค้า น, นเรียว่าถูกต้องทุกเล็กบททุกบาททุกคำไปเลยไม่มีอันไหนที่จะได้เลือก ว่าอันนี้ผิไม่นั่นนหละผู้รู้จริงๆพูดออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ฟังเพื่อความมุ่งอัดมุ่งทำอยู่แล้วทำไมจะไม่ได้ผลหลัางน้อยก็ตั้งตัวเป็นสมาธิขึ้นมาได้จากการ อ, อุรมของท่านเราจึงเชื่อเชื่อจริงๆการสั่งสอนอันนี้ ทางข้างผู้ดการทางวาเราบรรลมรรผลนิพขาดไม่เชื่อได้อย่างไความจริงลบได้หรือความตอนมันเกินมโนใจเราก็เหมือนว่าใครจะเกินไปไม่ได้เพราะเรามันมึ่นี้เหมือนกับคนตามบอดล้วบอดคนเดียวเหมือนกับโลกถ้เขาจะกาบอดกับเราทั้งโลกมันได้ยัง่ยมันบอดเพียงคนเดียวแต่เราเนอกนั้นเขตามมีอยูเขาไปเห็นนลยที่หูหนวกแต่เราคนอื่นเขาหูดีเขาเขาได้ยินอะไริปิดหูก็ได้เหรือ ตาเราใจเรามันบอดตาใจคนอิ่นไม่บอดเขาก็รู้ได้หน้นาหลังเพราะทำเพื่อทำใจให้สว่างมีหน้ามันจับหลักไว้ให้ดีนะการประพฤติปฏิบัติตัวไม่ว่าจะอยู่ในฐานที่ใดอย่าเป็นนักก่อนจะไม่มีแล้วนะวงกรรมาฐานมันจะมีแต่ชื่อนะ เนี้ประชาชนทั้งหลายก็หลังหลล่งไหลมาเคารพเครื่องสายสักการะบูชาทาบุญให้ทานกับพระกรรมฐานสายท่านจันทร์นั่นภาคไหนๆก็มากันทั้งภาคทุกภาคแต่พื่ออย่างยิ่งภาคกลางมากเป็นประวัติการก็ถูกแต่มันก็อดวิตกกังวลไม่ได้เราซึ่งได้คิดมาเป็นเวลาน่านแล้วแล้วก็แน่ใจว่าจะไม่ผิดจากที่เราคิดไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้ตอบ เส้นหมายของเขาที่มาเมือ่อสักสองสามวันนี่เขามาขอหนังสือเนื้อเกี่ยวกับเรื่องมีความเคารพเรื่องสาถ้าเขมาถามหาท่านกันนั่นมากแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องประชานชนทุกภาคโดยเฉพาอย่างยิ่งภาคกลางลังไลงามันเพิ่กุศลเคารพบูชาครูบาอาจารย์ระหว่าง เป็นหน้าุโมทนานแล้วเกินเลยเขาโกหกผู้ของเขาไปเราเพื่อให้พ่อคิดเกิดยวกับเขาเวลาเป็นโดนเข้าแ จ, จ้งตังค์เงี้ยมันจะเสียท่าจึงต้องทะเยอยานไปท่านสัตว์เป็นขอ้อคิดเอาไว้การที่ประชาชนเขามามาเค า, ารพเรื่องใส่ทักมาฐานสายท่านกันมั่นมันเราก็อุโมทนาด้วยแต่ว่าแต่สิ่งที่เราอดคิดไม่ได้ คังวลไม่ได้ก็คือนักถ้ากรมาถานสาทันมั่นนี้จะเป็นผู้ทรงคุณธรรมสามารถที่จะยังศักดคาทั้งหลายมีความเชื่อพลังสายโดยรับผลประโยชน์พวทั่วไปหรือทุกลาได้หรือไม่ถ้าในโลกนี้มันมีทัานของจงของลองเนี่ยมีท่านดีทั้งชัว่วสับปะรนไปถ้ากรมาถานสาท่าจันมั่น แล้วก็แน่าจารย์ว่าจะมีทั้งสิ่งทั้งปองทั้งดีทั้งขั่วกับกวนกันไปถูกมาเคารบเรื่องสา ย, ายาเลยใช้พิจารณายานพิศารณาให้รอบครอบพอสมควรก่อนแล้วจะเคารบเรื่องสายจะพูดปฏิบัติอย่างไรนั้นเป็นความชอบธรรมล้วก็พูดอย่างนี้ให้ขอได้ครอบคิดไว้ก่อนเวลาเป็นโดนเข้ามันจะไม่ไหนักงายไปทั้งเป็นสลกประโยชน์แล้วขี่เงินคนไปด้วย มันมีในโลกกว่นี้ธนวะจริงกับธรรมะตรองก็มาด้วยกันเหลืองห้ามาทถึงในทุกวันจะเลยล้มเลิกกันไปแต่ไม่ตกล้มเลิกกันไปเนาะยืนเขาพูดเหมือนกักนเขาทําเราทําขึ้นเขาก็ทำเพื่อนนะเหลียงห้าบาท ม, ม, มันต่อมาได้ไหมมันตอนนี้ พระกรมฐ า, านกรรมเชิญจเป็นอภินันทธรรมทุกองผู้ท่านเป็นธรรมทั้ง ข, งขนรนขระไม่ลบล้างเราเคารพองใสัผู้ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยนี้เรื่องมีนั่นมีแต่มันประฏิเสษเรื่องสิ่งที่ทสังแสงตำตรองที่จะแทรกมาด้วยกันนั่นแหละไม่ได้เพราะนั้น เ, เด็งเรื่องเล่ยไขเงื่อนเอาให้เขาสร้างเอาไว้ กระดูกดทั้งแง่ภายนอกเอแง่ภายในในตัวของเราทุกคนทุกคนมันก็เป็นกังระฐานกลอมเลยดินความจริงมีนี้หน่อยน่านั้นมีแต่ปลอมเป็มดโดินในกมรมีมันก็ปลอมเ <c oughs> ว่าเดินในกรมดับดับดับดับนูน่นนิไปเล่นที่เรื่องเยี่ยวอย่างน ตรงเยื่นคนที่ไหนนั่นมันตองอย่างนั้นถามันจริงอยู่เรื่อยๆมันจริงเป็นส่วนมากมันก็จริงไปเรื่อ ย, อยแล้วมันก็จริงการพูดต้องย้อนเข้ามาเป็นโอปนัตยโกพูดข้างนอกแล้วก็ต้องมาข้างในให้ทราบเพราะเราพูดเพื่อเราแล้วไม่ได้พูดเพื่อตําหนิผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตำหรับความจริงซึ่งควรจะรับประโยชน์จากการพูดนี้ด้วยสําหรับผู้มาอบรมเพื่อเพื่อทำทั้างหลายจึงต้อง ย้อนเข้ามาให้เป็นขี้เข้าใจกันจิตใจของเรานี่มันปลอมอยู่เสมอค่อยจะแฝงอยู่นั่นนะในขณะที่เป็นธรรมมันมีน้อยขนาดที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นของตลองที่เป็นความปลอมมีความคิดความปรุงต่างๆมันมากมันต้องพย า, ายามําระแก้ไขกันตรงนี้นดีแล้วมัดระวงังจะมองไกลมองดูจิตนะั่นแหะตัวเหตุจะตรงนั้นไม่มีที่อื่นตัวเหตดคือจิต ตอดุตลอดเวลาก่อเดเหตุเรื่องนั้นเดิม น, นดกถึงอดีตอนาคตเดี๋ยวเขาหลูกเสียงถึงนึกเครื่องสัมผัสดีชั่วต่าง ๆ, างๆนั้นอุ้มพัดใจทําให้เรายุ่งอย่เขาหลงตามไปนั้นน่ะคล้อยตามอืมมาหาไปกี่กลับกี่กันแล้วก็ไม่รู้แล้วมันก็มาอุ่นกินหนึ่งมาอุ่นคิดขึ้นมาแล้วทําให้เกิดความดีใจเสียใจเป็นบ้าไปด้วยวอย่างแล้วหลงคนมาย้มนสเด็ดที่เคยเอกทางขังเห็นหมัง มันตึงนั่นขันนี่เป็นเครื่องมือของจิตเหล็กมารั่งเดิมพยายามที่จะให้เป็นเครื่องมือของธรรมเอาให้ดีดจริงเครื่งกระทั่งมันที่เหล็กมันตายไปแล้จริงๆไม่มีสิ่งใดเหลือเล ย, เเลยทำอาการทั้งห้าขันทั้งห้านี่ก็เป็นเครื่องมือของธรรมล้วนๆถึงแม้ึงนั้นมันก็ยังต้องดุด ด, ด, นนะ ด, ด, ดุกดุดดุดขึ้นมันอยู่นั่นนะมันก็ดุดดุกดุดดุดขึ้นมัน มันยีดเหยื่อไม่ได้ชังท่านนี่แต่พราะอย่างยิ่งสังขานกับชันยาชัญยาละเอียดกว่าชังขานมากเท่าที่คือชันจีตามหลักธรรมชาติทั้งมันโดยปกติอย่างทุกวันนี่ก็ดูสัญญานี่ละเอียดมากยึ่งกว่าชังขานคือมันซึมออกไปเหมือนกับกระดาษถึงนี่ชังขามันยัแยกมันถึงเป็นเรื่องราวที่แต่ที่ พันยาที่มันตืมออกไปเป็นภาพออกมาให้ให้จิดได้เห็นเป็นภาพออกมาแล้วก็จะมีเรื่องต่อขึ้นมาด้วยเด้วยสังขารเห็นว่าลเอีดมาก ท, า ท, าทั้งๆที่มันก็ไม่มีเรื่องอะไรกำเริบนะแล้วพูดตามหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ที่วันนี้หมู่เพื่อนท่างหลายสัง่งเราไม่ได้อวดเราต้องเกิดดูตามเรื่องให้มันในปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้น มันอยู่เฉยไม่ได้หรอกนอกจากจะทําระงับมันชัว ก, การช่วเระบาดมันจะต้องมีปรุงข้างในมันจะเยอะแต่เป็นการสั่งสมเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่มันหากุ้งข้างันเองไมายก็เหมือนกันเป็นมันเป็นด่างละเอียดละเอียดซะแบงคือมปกติของมันเป็นอย่างนั้นทั้ทั้งที่ทหมายขึ้นมาก็ดีเป็นเงาอะไรก็ ขึนมาอย่างไรก็ดีปรุงที่ขึ้นมาเรื่องใดก็ดีก็ให้มีใครไปยึดเป็นเจ้าของอะไใครไปยุ่งกับมันไปถือกรรมสิทธิ์กับมานมันก็ปรุงข้างมันมันก็ดับข้างมันไปเรื่อยๆธรรมชาติดูสนุกดดมันมันดุดดุดดุอยู่นั่นเห็นไหมให้มีกิเลสเขาเป็นตัวกลางเลยพี่อเป็นเจ้าของแล้วถักดันมันออกมามันเรื่องราวมจะไปใหญ่ไปใหญ่กตลอดเวลา มันมีอะไรแล้วมันก็ดุุ้ขมันอยู่มันจนกระทั่งว่ามันหมดความฝึกต่อจะเมื่อไรแล้วมันถึงจะหมดต่อมาหนีการดุนั่งดุนั่งโดยหยุนั่งแต่นอนก็ตามหยุดดุนั่นดุกดุดขมันอย่้งไรมไม่ได้เลือกอะไรนะคือไม่มีใครไปเอาเรื่องกับมัน ปรุงตาเรื่องมันพวเราก็รู้เรื่องมันอยู่แล้วนี่แล้วเรื่องมันอะไรเพราะมันต้องเป็นของมันอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกับคนทำงานเหมือนกับขางที่เหนียงขาดไงไม่มีความหมายอะไรหางขึงเหนียงขาดนั่นลูกบิตัวมันก็วิ่งไปถึงไหนแล้วแต่ขางมันที่มันขาดมันต้องบิดตัวมเหมือนกับมีวิญญาณมีความรู้อะไรอย่างนั้นความจริงไม่มีอันมีขันกเหมือนกันอาศัยจะิตเป็นผู้ทรงอ่งนั้นจิตก็ไม่ได้ไปหลงกับมันเสียอย่างนี้ มันมีมันล้วนๆเสียสัญญาลัขันเสียงเสียงนะระนาวโขกหูก็ได้ยืนเนี่ยเพราะประสาส่วนนับมัมนมีพอได้ยินทุํากระดับเต็มฟ้อมกระดับเต็มฟ้อมทางนีเจ้าของเขาไปยึดมีแต่ต่างอันต่างเกิดต่างอันต่างจักของมันอยู่กางหลักธรรมาเข้ามันทางนี้หือเวลา อ, ออกจากนั้นแล้วหล ง, งับที่หุดท้าขัง กำหนดพักขันนี้มันก็เงียบเตมันมีขั้นใดดีบขั้นใดดีบเรือแต่ความรู้นี้เมือ่อเรื่แต่ความรู้ล้วนแล้วมันก็เหมือนกับความรู้เนี่ยมันครอบหมดทั้งโลกธาตุสร้างเต็ม ป, ประหนึ่งว่าความรู้อันนี้จะแสดงเหมือนกับเสียงเป็นกังวานครอบโลกธาตุไปอีกเหมือนกันถ้าเราว่าเรา จะพูดถึงว่าเป็นเสียงนะเพราะความเด่นแห่งความรู้นนั้นเองมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเสียงกลางวานครอบโลกธาตุถ้าเราจะเียบจะแยกมาใช้มาพูดอย่างนี้มันก็น่าจะพูดได้แต่ว่าคือความรู้นะั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไม่มีอะไรเข้าไเหยียบย่ําทำลายไม่มีอะไรเข้าไปาไไรบกวนหรือแต่ความรู้ล้นล้ว น, อ, นอยู่ภายในตัวเองเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติของตัวเองด้วย นั่ความรู้เสียสันต์ต้นดอขึ้นมาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดพูดเทียบอะไรไม่ได้ทั้งๆที่รู้ไม่สงสัยแต่จะเทียบอะไรเทียบไม่ได้พูดไม่ออกน่าจะความรู้ที่สร้างตัวอยู่นั่นเหมือนกับครอบโลกธาตุเพราะคํำเด่นความรู้มันมีอะไรเด่นในโลกนี้เหมือนไม่มีโลกพุ่นอ่างมีแต่ความรู้นะจิตเด่นครอบโลกธาตแต่จะจับเอาความรู้จุดตรงความรู้มันจับไม่ได้ไม่แล้วก็ไม่สนใจจะจับ สนใจจับจาระาอะไรไม่มีก็ทราบ ม, มันไม่มีเป็นจุดเป็นต่อนีอ้ที่ไหนมันก็ไม่มีมันจะมีแต่ความรู้ที่ปฏิเสธไม่ได้เท่านั้นอารู้กับเป็นรูเปรเป็นธรรมชาติตัวเอ่ยในที่สุดมันเป็นความรู้ที่จะหิ้วจะโหยจะต้องการอะไรอะไรเข้ามาเพิ่มมาเติมหรืออะไรจะตัดอะไรออกมันก็ไม่มีมีเป็แบบธรรมชาติเท่านั้นมันเป็นเหมือนกับว่าครอบหมดทั้งโลกธาตุ ท, ทันสร้างจิตจิดนึ่นก็นเวลานั้นเหมือนโลกกับโลกกับธาตุไม่มี น, นะมีแต่ความรูนเด่นนั่นแหละจนกลายเป็นเรื่องที่ว่าความรู้นี่มันครอบโลกกธาตุอีกเลยมันพูดเอพูดอะไรกันแบนมันมันมันยังไงฟังกันยากอยู่นะแต่ว่าความรู้นี่มันครอบโลกกับธาตุแตถูกนะหรือว่ามีแต่ความรู้ทั้งนั้นโลกนี่นไม่มีเลยไม่ไมเพราะความรู้นี่ไม่ไปเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้ของตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่หลองพึ่งพิงอสัจคินใดเลย เป็นความรู้ในหลักทรรมาสตร์วตัวเองแสดงอยู่เท่านั้นมันก็เหมือนกับแบบมีแต่ความรู้เท่านั้นในโลกนี้ไม่มีไม่มีสิ่นใดเลยเพราะพวกนี้ไม่ไเกี่ยวข้องนั่นถ้าออกมาปูจุมออกมาแย่ก็แย่นั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี่ว่าฟ้าจะเป็นตียาของจิตน่งมาแล้นก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเลทุกระย แล้วไม่มีอะไรมาเป็นสื่อเกินสายเป็นอะไให้ติดตต่อเนื่ามงไปให้เกิดสมูกไทยใ ห, ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อ น, น, นอะไรที่มาก็ดับไปดับไปดับไปแต่ก็ทช่มันไปอยู่นั่นเอาสิพูดคนเดียวเหมือนมาโกหกห่เพื่อนเมือมันถึงขั้นที่รู้แล้วมันถึงมาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละ รู้จริงจิงกึ่งไหนวันไหนวันนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลง น, นี่วันนี้ทำไมจิตถึง น, นี้แล้ววันนี้ทําไมจิตเป็นนี่มันไ่่มี้เราจิทชาดจิตชาดแบบนี้แต่ตัวเรื่องที่เลสทั้งนั้นถ้าใหยว่าจิตทำไมเป็นนี้ทําจิตทำไมเป็นนี้เนี่ยมีมตัวเรื่องกิเลสตัวมายาของกิเลสข้างมวนไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางของส่วนละเอียดมันเป็นมายาของมันข้างนันเพราะอะไรมันผ่านไปแล้วมันก็หนุมีอะไรมาหลอก พันหนเรามีแต่มืดกับแจ้งเท่นั้นเองแ่านั้นปีแ่านี้ปีหรือว่างไปตาเราธรรมชาติไม่สนใจกับอะไรนั้นหยุนมันไม่เคยไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องปีเื่อเดือนวันขึ้นอะไรเห็นมันดูดตาอย่างนี้อย่นี้จะมืดกับแจ้งมืดแจ้งเห็นสันธรรมด้วยตาของเรานี้มืดกับแจ้งอย่างนี้ก็มืดมืดแล้วว่าพรุ่งนี้สมบูรณนมาวันพุ่นี้มันก็แจ้งแปลวาอาทิตขึ้นตาเราก็มีสัจธนั้นเอง หลงอะไรแผ่นดินไม่ไปที่ไหนก็เหยียบแผ่นดินเป็นหลงดินอะไรน้ําก็อยู่ในท่อนก็เต็มอยู่แล้วหลงมันอะไรลมไฟก็เห็นมีหลงอะไรนั่นไฟเห็นมีรสชาติหลงอะไรลมก็เห็นมีแล้วลมหายใจของหายใจฟู้ดฟาดฟู้ดฟาดหลมไาอะไร้าเป็นตัดสม็ุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายหลงไปอไเสด็จปทสมัยปรินความปรินของธรรมไปธรรมะ เป็ิไปมันก็เหยียบความเหยียบหนามเลยพี่ป็ิ่มความจริงของธเห็นตามความจริงนั่นว่าธาตุต่อธาตุมันไป จ, นจัดลงในใจอะไรก็มันตามความจริงที่ท่านบรรญัติไว้เป็นความจริงเห็นต่างนั่นทั้งหปัญหานี่ยครับเอาให้จริงให้จริงสูให้บด้นีเลยตัวภยัย ไทยของติตคือกิเหลส ค, ค, ความคิดควาปรุงทั้งหลายเป็นไทยเป็นไทยเขาหยุดทาให้คิดแค่กลุ่มสาคัญมันหมายถ้าหยุดไม่มีเสียคิดก็เชื่อรู้จักเวลาระงับดับมันได้ามัใช้การทำ ง, งานแต่ใช้เวลาแต่ระงับการมันก็ดับไประงับมันไม่ใช่มันก็เหมือนเครื่องมือก็อหยุดงานแล้วก็เครื่องมือก็ทิ้งไว้เสียเก็บไว้เสียในทีคน่ควรแต่ถ้าเรามาใช้ ขันหันมักนการเวลาจะพักผ่อนหลับนอนก็หยุดเสียนะจะเขา้าจิตจะมาที่โาวนาทักเสียควมคิดความปรุงยุ่เหยือวุ่นวายต่างๆทักไปเสียเนี่ยต่อความรู้สบายแค่นี้เท่ทเทเท น, ทนั้นถึงการมันจะแต่ระดับก็รู้แล้วพิจารณาไว้หมดแล้วมันสัตย์จะตื่นไปไหนพิจารณาก็รู้ก็รู้ตามความจิง ความตายคือความสลายออกไปความผสมผสานนี้มันก็คือความจริงซึ่งเราพิดจะนานวาันจงไหนาจะตื่นจะไหนไม่อยากตายหรือไ้่อยากอยู่เหรอเนี่ไม่อยากตายความอยากอยู่มันกันเดียวกันอยู่อะไรเมื่อถึงการนะั้นมันจะไปแล้วฝืน ม, มันทำไมอันนี้ทําให้เราย้อนไปถึ ง, งหลวงพ่อพระยเจ้าว่าจอมปราบแล้วนั่นไม่แล้วยังจอมปราบในแง่ต่างๆส่วนภาษาทีบุตรมา ทุนลาเข้าสู่นิพพานถ้าจะห้ามาใช้วุฒิ ด, ดวนนิพพานให้ช่วยเราสาวคํำประโชน์ให้กก่โลกไว้ไปช่วยการเสียก่อนนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมวัฏจักรหรือไม่อยากให้ตายซึ่งความตายมันถึงการแล้วที่ควจะตายนังเคยฝืนมาอีก เ, เออตายเสียห่าห น, นี่มันก็เป็นอีกอันหนึ่งอีก มืนกับน้ำเติมคําตัดผุดได้ไงโหวหน้าฟังมากเป็นความจร่งนะจริงเมื่อพระองค์รับสั่งก็ไม่แล้วแต่การอันควรของเธอนั้นเหมาะที่สุดเลยนะมอบให้และแต่การอันควมหมายถึงมอบให้ทติธรรมนาตามหลักที่ทรงที่จะนาไว้เรียบร้อยแล้ว น, นั้นไม่ขานจะวันตายคานบวชแบบนี้ก็ผิดคานความจริง อ้าไปซะไฉลุดมันยังไม่ถึงการไปบอกไปทำไม่แต่ไปก็ไปไปอยู่ก็อยู่แล้ว แ, แต่การอันควรของเธอเธอแต่ก่อนที่เธอจะไปจากที่นี่เธอจะไปในปะญี้ขา น, นให้กระเด็นทำให้พวก น, น้องๆทั้งหลายของเธอฟังจะ ก, ก่อนมีไหพระเจ้าตะวัน นั้นทศเสบูตทราบว่ น, นั้นพระองค์ทรงแย้มบอกเพียงเท่า น, นั้นว่าให้แสดงเป็นเม็เต็มหน่วยเต็มที่เดินถามในเวลาสุดท้ายมียิฐาเทวดาท่าขนาดไห น, น, นอ้าแสดงเป็นที่ทั้งทางด้านอัดด้านทําการอนุภาพสั่งสอนและอีกทธิปฏิหารมา แ, แสดงทั้งสองอย่างอิทธิปฏิหารก็แสดงอิทธิปฏิหาริยะก็แสดงอนุสาสนีปฏิหาริยะก็แสดงเต็มที่ แล้วกระถิ่นหลาแล้วทงเปิดโอกาสด้วยว่าพระปสูติสามเณรในวัดนี้ยากจะตามทรงพระบุตรุดพี่ชายของพวกเธอทั้งหลายก็ให้ไปได้ตามมัธยีไสยองค์ใดอยากต้องการาไปพระสัตรุดได้ตามเดธยีพระเนรหลังหลายก็าาตามทั้งห้าร้ไปสู่สถานที่นิพพานคือห้องประสูติห้องเกิดนั่นนะ่ะท่านพระเทวนิพพานที่นั่น นี่เราก็จะพูดไปถึงโน้นแต่จิตต้องทันเราพูดตรงเราหมายเาตรงที่ว่าเวลาภาษาอุดมคุนราเขาถึงทานเขาไม่ทรงขัด้ า, านว่าให้รอซะ ก, ก่อนเขาไม่ทรงเพราะจะเป็นการส่งเสริมวัตวถะนักขัดความสิงอ๋ายี่ทานเจียนี่ก็เหมือนกับซ้มเติมตอนไรไปเพิ่งขัดต่อกำลังสิ้นเหมือนกันจึงมากให ตามเวลาของขังตามเตือ่การเวลาของเถิดเนะี่ยการอันควรนั่นฝังอีกตามแต่การส่วนของเถิดเนี่ยเวลาพระโมคมกลามาตุลาเข้าสุนิพันธ์วารูามันห่างกันเจ็ดวันเท่านนผมจําถ้าไม่ผิดนะมันห่างกันเดวันมาตุลาหรือเปล่าก็แบบเดียวกันอทรงแสดงแบบเดียวกันแล้วก็เปิดประตูวัชรทวันโล่งเลย มีคือพิชาเขาเคยทั้งหลายตวอย่อย่างนั้นแหละล้วก็ให้พระ า, ร า, าให้มมคนลาพรเดินทางให้น้องๆ ท, ท, ทั้งหลายตั่งในวาราสุดท้ายมีพระมมคนลาก็ฉลาดแหลมมมากเพิ่มเยอะมีแสดงบรุทธเจ้าจเปิดโอกาสทุกงเปิดโอกาสน่ทุ่งนี้ทุ่มุมและระดานี้ก็แสดงท่านอิทิปฏิหารดีละ แะอนุสาจะมีปฏิหาริย้คือการแนะนำท่านสอนให้เห็นอัตเห็นตามให้เข้าใจตามหลักคอนฟิมทั้งหลายและประเด็นอิทธิปฏิหารเหาะเหน่อเดินฟ้าเลยอ่ะเออเหาะขึ้นไปแล้วขึ้นามแล้วลงมาแล้วเหอะขึ้นไปแล้วลงมาเด็นทำแล้วเหาะขึ้นไปเอาเต็มที่เนี่เป็นเ สัพพีิพานกัพี น, นิพพาที่สีครับตรงเขา่านะเอนเดีดีนี้ก็ต้องเปิดประตูพระเจ้าตานเลยพระจูดเมันไหนที่ต้องการเติมส่งที่ายต้องเทั้งหลายต้องให้ไปตามมัยาศัยเปิดโอกาสให้เลย mm hmm. มันขังกุติการมักสนินพพานเกลือนูกับผู้ปฏิบัติทั้งหลาย นี่จะผู้ทรงมากทรงผลเป็นจํานวนมากแล้วมาตกมาของพวกเรานี่จะพูดทรงความจอมปลอบทรงเจอชื่อของกิเลสชื่อของอักของธรรมตัวจริงของอักของธรรมคือถึงก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตต์บทพจนก็ดีมันไม่มีมันจะไม่มีอย่างนี้ใครจะเป็นผู้ลืมฝืนทาําของวิญญาณที่เป็นของจยู่แล้วเป็นเม็ดเป็นหน่วยเป็นหลักมัธยมม า, มาเหมาะสมอยู่เสมอ ในการที่จะเปิดเผยวัตถุนิพานขึ้นมาแล ะ, ะตาามที่เด็กซึ่งเป็นค่าศึกต่อวัตถุนิพานให้ที่หน้าที่หาประจากษ์ใจถ้ามาานันจะพวกปฏิบัตินี้ก็เป็นไทรให้สนใจในตัวเองให้ตั้งปัญหาตามตัวเองทัเสมออย่าให้ใหยิเฉยมันงโง่หาอุบายชี้แทงเฉียงแทงหลายเนี่ยหลายสัยหลายขมมัม่นหาเข้าใจขึ้นมันสรุปเจอขึ้นมา อุบาสกปัญญาเป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นต้องใช้อย่างนั้นซะก่อนต่อไปจนกระทั่งเป็นปากเป็นทางไปแล้วนั้นมีทางไปณที่นี้เขาค่อยไปเองหมุนติ้วติ้วติเลยอย่าง ท, ท, ที่เคยพูดเขาสังหลายชั้งแด้หมดแล้วเป็นลักษณะตงรงล้างละหวานไม่ล้างไม่ได้นันเลยเถิดแม่อุทกจาถังยศเบื้องบนนั้นคู่อธิบายอันนี้เขาทาเราไม่ได้ยโทด น, นะ ผู้ตรวจการดศีนะจต้องรู้จำนะทคำทุทำิดเหมือนกันนะพรมันสอสแสดงหนังสือนีต้องส อ, สอสแสดงจากผู้ จ, จรวจการด้เหมือนกันผู้ตรวจการ้นี่จะเป็นคนประเภทใดเป็นคนที่มที่เด็ดหรือยังมีที่ เ, เด็ดอยู่จริจการฤทธิ์ธรรมขอรุท้านีเช่นอุทักษะความพิ่งส้างนำทางไปเปน็นลนะักษณะแบบโลกโลกเลย นิวรณ์ตั้งห้าอุทจักตุทุกจกักมีทั่วไปขณะาสามัญผลลัพธ์ความรุงเรื อ, องนำขังอุทจักมีความฟุ้งหรือความเถินเถินต่อการพิจารณาขณะหนักอุทจักคือความเถินต่อการค้นคว้าพิจารณาโดยทางปัญญาจนเลยเถิดพุ่นหนึ่งอเรียวกว่าเป็นสังโยชน์เชื่อมข้องอันหนึ่ง านามะของหายทึ่ถือนั่นแหละถือใจอวิชชาือความู้ ท, ที่เดนเด่นอยู่ภายในใจเนี่ยมันก็ไม่มีครอบจิดยอดพอเป็นแง่เรื่องการที่อุทจฉาที่สร้างลำคาญเป็เหมือนแบบโลกทั้สงสามเลยจิตประเภทนั่นในใจอาจจะลำคาญบ้างซึ่งเป็นคู่กันกับความเทิ น, ทนในงานทำงานไม่หยุดไม่อย ก็ก็มีบ้างท่าก็เดินเข้ามาเพราะงานอันนี้ว่าเราไม่มีที่ค้าสงสำนักงานอุาจาทจจะคือจิตพุง่งเทินต่องานจาเรินไปอุทจจะหมายถึงความทุ่งช้านําพางแล้วก็แปลออกมาอีไขความหมายว่าความเทินในงานทั้งตนเองในการคิดคน้นหลัแล้วประกอบด้วยความอ่อนเพลียทําให้เกิดความลำพังได้ยอมรับทันที เิวาลความพุ่งสร้างลำพานอะไรมันเลยกลายเป็นเรื่องนิวรังทั้งห้างนเคี่ยตึ้งขึ้ในขั้นของสามัญชนโดทั่วไปอันนี้ขั้นอริยภูมินิขั้นอรหาตาาัตธรรมนี่อ๋ออรหัตธรรมกําลังเดินตามเนี่ยเมื่ออาาารัตธรรมสมบูรณ์เต็มที่แล้วอนาตาผลก็ขณะของจิตที่จะตัพบพตัดชาติจะแสดงถึงขึ้นมาขาดสะบั้นไปหมดเลยะขณะที่ ขาดสะบั้นนั่นเีวยว่ามักริ่งถึงผลอันนั้นยังไม่จัดว่าเป็นธรรมนิมิตบุตรจนกระทั่งขณะอันนั้นได้เสด็จขึ้นไปแล้ ว, วยุติโดยประการทั้งปวงไม่มีเงื่อนใดต่อซึ่งกันกันแล้วเหมือนกับเราก้าวเท้าขึ้นไปเท้าข้างหนึ่งอ ย, อยู่บันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนพื้นบ้านหรือพื้นก็ติดแล้วนั้นอย่างนี้เรีกกยกว่ามักริ่งถึงกับพอก้าวเท้าหลังไปเหยียบพื้นด้วยกันทั้งสองเท้าแล้ว เมื่อไรนั่นเนี่ยได้กว่าถึงผลอันุกรมแล้วท่านมันคือ น, นิพพานตรงนั้นเน่ยในขณะที่กำลังก้าวอยู่นี่เป็นกิริยาก้าวจากบันไดท่านสิท้า น, นี้เท้าที่สองเนี่ยก้าวไปหาเท้าที่หนึ่งซึ่งไปถึงพื้นแล้วพอเหยียบปุ๊บลงถึงพื้นนั้นก็อันเป็นอำนาจยุเติถึงผลเต็มภูมิ ขณะที่กาลังก้าวไปนี่นีหลายมากวิ่งถึงผลเหมือนจะเนื่ยแต่ได้มากขัจนยิ่งลาพูดจำหลักปริญาตนะขณะที่จิตทํางนานพุบมากับผลวึ่งถึงกันก็หมายถึงว่าก้าวแรกนี่เหล่ยคือคือก้าวแรกถึงพื้นแล้วอก้าวขาข้างหนึ่งถึงพื้นและวก้าวที่สองเนี่ยปุ๊บไปนี่นี่แหละ พอถึงนั่นโดยสมุติแล้วกรอข้าวเรียกว่าอาตะผลเหมือนกันนั่นแ่ะคือนิพพานหนึ่งอยู่ตรงนั้นท่านเลยพูดเลยจะเ่ยนว่าสำเร็จอาตะผลแล้วทำมาต้องปุถุนิพพานแล้วถึงจะว่านิพพานหนึ่งก็ไม่ขาดพระพุทธญาติทรงแจงไปให้ทาดไม่งั้นจะเป็นที่อ่คัดค้านจากสาวกทำไม่ธรรมชาติอันหนึ่งพระองค์ถึงไม่แสดงไว้ขึ้นเลยจากนี้ไปแล้วนั่นคืออะไรพระองค์ไม่เห็นต้องแสดงไว้เพื่อความ สมุนแห่ความเป็นศาสดราจึงไว้รวดมาในทุกแง่ทุกมุมต้องบอกมากที่ผลสี่นิพพามากกับผลมันเป็นคู่กันคู่กันคู่กันนี่อรหัตธรรมอรหัตผลมันเป็นคู่กันมันเป็นทำคู่อยู่นี่พอหยุดจากนั้นแล้วก็อรหัตผลก็โดยสมบูุนเป็นที่หรือว่าเป็นถึงนิพพานหนึ่งโดยสมบูรณ์ก็ได้ือถึงนิพพานหนึ่งโดยสมบูุนแต่ท่านก็เสียท่านเสียเราผมเนี้ยมา ไม่แย้งแต่ลงกันธรรมชาตินั้นถึงนั่นแล้วแย้งกันไม่ได้คือว่างั้นก็ว่าไปถเถอธรรมชาติถึงความจริงเต็มพุงแล้วพระท่านมีพระทรงมากทรงผล <c oughs> ทางบุติกาลพอร่อนทรงจะความขี้เกียดอ่อนแปรได้เหรื อ, อทรงผลผลมั ง, มงคุดนังสะอย่างนั้น ผลน้อยหนาน้อยเหนือนั่นได้นลยเอาตำยาขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไปเธอแรกจแต่นเลย